สวัสดีเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแกเ่เจ็บตายที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีมากที่จะได้มาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาร่วมเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องพลังของศาสนา ต่อคนพิการโดยธรรมดาแล้วนี่ผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดเรื่องคนพิการมากนะไม่ค่อยได้มีโอกาสทำหน้าที่ส่วนนี้ไมายถึงผู้พิการทางด้านร่างกายแต่ส่วนมากก็มักจะไปทำหน้าที่กับผู้ที่มีความพิการทางด้านจิตใจซะมากกว่าผู้ที่มีความพิการทางด้านจิตใจนั้นคือหมายถึงผู้ที่มีจิตใจเต็มไปด้วยกิเลส นอกจากจะทำให้ตัวเขาเองเป็นทุกข์แล้วก็ยังปล่อยให้กิเลสเนี่ยใบบีบเบียยคนอื่นแล้วก็จะมีมากด้วยในสังคมนี้ผู้พิการทางจิตเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างปัญหาสังคมเยอะเป็นผู้ที่มีความทุกข์มากกว่าผู้ที่พิการทนางร่างกายพิสูจน์ได้ไปดูเธอในเรือนจับเนี่ยร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจเนี่ย ไร้คุณธรรมนชมแล้วผู้ที่ฆ่าตัวตายสร้างภาระากับสังคมเนี่ยคือผู้ที่พิการทางจิตทั้งๆควบคุมกิเลสทางจิตไม่ได้ทําให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนอันนี้ต้องช่วยเหลือก่อนอันนี้ถือว่าเป็นแง่คิดนะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าคนพิการเนี่ยมักจะเป็นภาระกับสังคมเคยได้ยินไหมได้ยินบ่อยมากเลยก็ถูกแล้ว นั่นหมายถึงคนพิการทาด้านจิตใจนะคนพิการทาด้านร่างกายเนี่ยทําประโยชน์กางสังคมก็มีมากมายไม่ใช่พาระผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการพูดในการสนทนาสิ่งต่า ง, ตางแต่ว่าอาศัยที่ว่าเคยมีประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตที่พิการอย่างนี้นี่สภาพของความพิการเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ย อ่อนแอผิดจากคนที่มีร่างกายเป็นปกติและยังส่งผลในสภาพจิตใจเนี่ยท้อแท้มีความกังวลผิดหวังหมดกำลังใจขาดความเชื่อมั่นในตนเองสวาธิไร้ที่พึ่งทางด้านจิตใจทุกทางจิตจะรุนแรงกว่าความพิการทางกายด้วยซ้ำไปคือส่วนสำคัญ แต่อันที่จริงแล้วเนี่ยคนพิการเนี่ยคือความไม่สะดวกทางด้านร่างกายเท่านั้นไม่จะเป็นต้องมีทุกข์ทางด้านจิตใจก็ได้แต่ที่ว่าพอร่างกายพิการแล้วใจเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจตนเองขาดความรู้ขาดปัญญายึดมั่นถือมั่น คิดว่าตัวเราในพิการอยู่ตลอดไปอันนี้คือข้อบกครองหรือความไม่รู้แต่ถ้าใครก็ตามที่นำเอาหลักธรรมคาสอนในทางพุศา ส, สนาอามาศึกษามาปฏิบัติเนี่ยก็มีโอกาสทำให้จิตใจเนี่ยไม่ทุกได้แม่ร่างกายพิการความพิการทางกายเนี่ยจะมีผลในทางจิตใจเลยอันนี้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพราะว่า ศาสนาเนี่ยหมายถึงที่พึ่งที่พึ่งทางด้านจิตใจเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของที่พึ่งผมเองเนี่ในฐานะที่นับถือศาสนาพุทธก็ได้อาศัยหลักคำคำสอนในพุทธศา ส, าสนาเนี่ยมาศึกษามาปฏิบัติคือมาฝึกฝนจิตใจโดยการปฏิบัติธรรมนี่ยมันก็เลยได้ที่พึ่งของชีวิต อันที่จริงนี่พุทธาศาสนาหรือหลักธรรมคาสอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่ท้าทายให้กับทุกๆคนเนี่ยลองปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์ดูให้เข้าถึงความลึกซึ้งของศาสนาจะได้รับประโยชน์จะได้พลังของชีวิตจะได้พลังของศาสนาแก้ปัญหาชีวิตได้ผมเองคนหนึ่งก็ ใช้วิธีการปฏิบัติธรรมนี่แหละมาแก้ปัญหาชีวิตอันที่จริงการปฏิบัติธรรมมันช่วยได้กับคนที่มีปัญหาต้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยกับทุกๆคนเลยไม่ใช่เฉพาะคนที่พิการคนที่มีร่างกายเป็นปกติเนี่ยก็ยังมีความทุกข์ยังมีปัญหาชีวิตอยู่จะต้องอาศัยหลักธรรมคาสอนนี่แหละเอามาปฏิบัติเนี่ยจะแก้ปัญหาชีวิตได้ เพราะว่าหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยจุดเด่นก็คือเน้นเรื่องความดับทุกข์คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถือว่าเป็นจุดสําคัญเป็นจุดเด่นเลยใครก็ตามถ้าเอามาปฏิบัติสมควรแก่ทำแล้วเนี่ยจะเพะว่อความหลุดพ้นได้ที่จริงการปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันช่วยทางด้านจิตใจได้มาก เป็นความเพียรทางจิตล้วนๆมีทั้งทําให้เกิดความขยันเกิดความอดทนแล้วก็รู้จักช่วยเหลือตัวเองปฏิบัติธรรมแล้วจะช่วยเหลือตัวเองนะมักจะไม่ค่อยพึ่งพาคนอื่นถ้าไม่จําเป็นจะช่วยตัวเองก่อนและแต่ยังช่วยผู้อื่นได้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องหลักการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เป็นหนทางเข้าสู่ความทุกข์ก็คือตัวการฝึกเจริญสตินั่นเองถ้าใครฝึกเจริญสติฝึกทงความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วไม่จะเป็นจะต้องนับถือศาสนาพุทธก็ได้เพราะการเจริญสติเนี่ยเป็นหลักสาคนททำได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทั้งคนปกติแล้วคนพิการนับถือศาสนาไหนก็ฝึกเจริญสติได้ เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักสากลไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างเดียวคือการดาเนินชีวิตด้วยการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอเมอในการทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามคิดนึกอะไรก็ตามให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอเมอการทำการงานต่างๆการดาเนินชีวิตเนี่ยถ้าสายการฝึกสติอยู่เนืองเนื่องแล้วก็ ทั่วเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วแล้วยิ่งการฝึกสติบ่อยๆนานๆเนี่ยสติมีโอกาสที่จะทวีมากขึ้นมากขึ้นจากสติธรรมชาติธรรมดานะกลายเป็นมหาสติสติก็จะตื่นรู้เมื่อสติมันตื่นรู้จิตมันตื่นรู้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคือพลังสติมันจะมีผลนะเพราะสติมีพลังจะมีผลทําไม่มีความเบิกบานอยู่ในจิตใจ มันจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติแบบนี้ทำให้เราพ้นจากปัญหาได้และเชื่อมั่นว่าเราเองก็ทำได้มันจะเกิดความขยันหมั่นเพียรมีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำคือเป็นสมาธิมีทั้งพลังสติพลังศรัทธาเชื่อมั่นพลังแห่งความเพียร และมีพลังสมาธิใจจดจ่ออยู่กับงานมีผลทาให้เกิดปัญญารู้จักตัวเรานี่ทำด้วยตัวของเราเองนะไม่ได้ขอจากใครพึ่งตัวเองสร้างขึ้นในตัวเราเองเกิดปัญญารู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นถ้ารู้จักตัวเราล้วก็เราจะไม่มีทุกข์ที่เรามีทุกข์เพราะเราไม่รู้จักตัวเราคือรู้ว่าตัวเราเนี่ยมันมีธรรมชาติสองอย่าง ธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกายเนี่ยมันก็เหมือนคนป่วยคนไข้เหมือนผู้ป่วยผู้ไข้ที่ต้องคอยดูแลผู้ดูแลคือจิตใจจิตใจคือผู้ดูแลร่างกายที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยต้องช่วยเหลือสารพัดการกินการนอนการดื่มต้องแก้ปัญหาความร้อนความหนาวนี่คือผู้ป่วยคือร่างกาย จิตใจคือผู้ดูแลเหมือนพยาบาลดูแลคนไข้มันจะเห็นว่าไอ้ความพิการเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยความพิการเป็นเรื่องของกายจิตที่มีสติตื่นรู้อยู่เนี่ยจะเป็นเพียงรรหน้าที่ผู้ดูแลไม่ได้ไปเข้าไปเป็นผู้พิการด้วยมันลาออกจากความพิการเลยนะจิตใจไม่ต้องพิการแต่ดูแลร่างกายที่พิการมหัศจรรย์ มันพ้นภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากด้ร่างกายและสิ่งสำคัญคือจิตใจเนี่ยสามารถรู้จักจิตจิตรู้จักจิตรู้จักตัวมันเองว่าโอ๊ยธรรมชาติาของจิตเนี่ยมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งเรื่องราวสารพัดอย่างหลายเรื่องหลายราวนำพาความทุกข์มาสู่จิตใจเราก็ได้ถ้าคิดไม่เป็นเราก็จิตเป็นทุกข์ถ้าคิดเป็นมันก็ทุกข์แต่ยังเป็นทุกข์ที่ เกิดจากความยึดมั่นถึงมั่นถ้าฝึกจิตโดยสายจลนสติได้แล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางไม่ก็ตั้งจิตเองไม่ก็อั้งความคิดจิตจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาต่างๆมันจะเป็นธรรมะทั้งหมดกายก็เป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะมองคนอื่นก็เป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ดูได้เห็นน่ยล้วนเป็นธรรมะทั้งหมดเลยพร้อที่จะเข้าไปทาหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ ไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ของความไม่ดีนะที่ว่ามองโลกในแง่ร้ายมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมองโลกในแง่ดีก็ไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีกับในแง่ร้ายเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติถ้าปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะมองโลกในแง่ของความเป็นจริงโลกในแง่ความเป็นจริงนี้ไม่ดีไม่ร้ายอ่ะเหนือสมมุติในแง่ความเป็นจริงมองยังไงมองเห็นความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ความที่บังคับบัญชาไม่ได้ในโลกนี้แล้วก็ทําหน้าที่กับโลกโดยไม่ต้องเข้าไปเป็นโลกทําหน้าที่ทั้งตัวเราแล้วก็ท้งโลกมองในแง่ของความเป็นจริงคือแง่ของปัญญามันจะเกิดการยอมรับจิตจะยอมรับได้กับร่างกายที่พิการโดยที่จิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ จะเรียกว่าจิตเหนือกายก็ได้โดยเอาสภาวะทางจิตเป็นสำคัญมันก็มีผลนะจิตไม่เป็นทุกข์ในมีผลทำให้จิตนี่มันผ่อนคลายไม่เครียดมีความสงบเย็นลักษณะผองใสมั่นคงเป็นปกติในการกระทบกับอารมณ์ทั้งหทั้งปวงไม่หวั่นไหวจิตเป็นอิสระ ได้ที่พึ่งคือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะโอสถเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ที่เยียวยารักษาชดเชยสิ่งที่จิตที่มันขาดหายไปให้เต็มเป็นชีวิตใหม่ธรรมะชีวิชีวิตเต็มไปด้วยธรรมะเพราะฉะนั้น หลักของธรรมะมีอยู่หลักหนึ่งในตามพุทธศาสนาที่เด่นมากคือหลักของกรรมหลักของกรรมการที่จะต้องเป็นไปตามกรรมการรับผลของกรรมแล้วก็การปฏิบัติที่ให้พ้นไปจากกรรมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความทุกข์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจก็ตาม เมื่อเรามีความทุกข์อยู่เนี่ยถูกแล้วเรากำลังรับผลของกรรมยอมรับนะใจมันจะเบาการยอมรับในการรับผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่ยอมแพ้นะไม่ใช่ยอมจำนนนั่งร้องไห้เสียใจเศร้าหมองไม่ใช่แต่เราสามารถที่จะปรุงแต่งกรรมที่เรากลังได้รับเนี่ยให้มันเป็นกรรมดีได้ปรุงแต่งให้มันดีได้โดยการ สร้างกุศลกรรมคือมาประพฤติธรรมมาเจริญสตินี่แหละไม่ช้าไม่นานเราก็จะพ้นจากกรรมไปในที่สุดถ้ากับว่าความพิการหรือความทุกข์ของร่างกายจิตใจเนี่ยมาทําให้เราฉลาดทุกทางกายมาให้ทําให้ใจฉลาดคือเสียกายแต่ได้ใจอันนี้ไม่เสียหายนะเมื่อกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยเสียหายขาดทุน แต่ถ้ากลายเป็นทุกฝึกจิตฝึกใจให้ไม่ทุกเนี่ยมันเสียได้ได้กําไรเพราะนั้นผู้พิการถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตจะมีความสุขพ้นทุกข์ทั้งปวงสมดังที่พุทธภาษิตได้กล่าวไว้ว่าธรรมะจาริงสุขขังเสติผู้ที่ประพฤติธรรม เป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขแสุดท้ายนี้ก็ขอนำเอาคำกรอนฝากไว้กับคนพิการทั้งหลายโดยที่คุณวิวัตต์ตักท่านได้แต่งเอาไว้อย่างพรายเลาะมากจิตสดใสด้วยมีธรรมประจาจิตช่วยพิชิตโรคใจให้ห่างหายแม้พิการก็เป็นเพียงเรื่องของกาย ตราบบรรตายสิ้นทุกสุขนิลัน